ข้อความในมิลินทปัญหาเมนทะกะปัญหาต่อไปเนี่ยนะในอรหันตตอภัยณะปัญหาหน้าส5 8ห้าบปัญหาที่9กล่าวว่าพระขุนเจ้านาเกษตรพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาสิทธิ์ความข้อนี้ไว้ว่าวิคตะพยะสันตาสาอรหันโตแปลว่า ผ้าหันทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากความกลัวความพรั่นพริ ง, งไม่มีความกลัวเหลืออยู่เล ย, ยไม่มีโทสะไม่มีความไม่สบายใจไม่มีความสะดุง้งผวาไม่มีอยู่ในจิตใจของะ้าหาันอันะ้าหันจะไม่มีความรู้สึกผาวาพรั่นพรงก็คือผาวานั่นเองนะหมายความว่าหวาดเสียวหรือสะดุง้งอันนี้ไม่มีสาหรับผ้รหัน พระพุทธเจ้าได้กล่าวว่าอย่างนี้แต่อีกแห่งหนึ่งก็กล่าวไว้อีกว่าที่กรุงราชจะครึกมีพระอรหันต์จำนวนห้าร้อยรูปพอเห็นช้างธนาบานหรือช้างนาลาคิริงเนี่ยพุ่งเข้าใส่พระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระอรหันต์เหล่านั้นก็พาการสละทิ้งองค์พระชินวรหลบหลีกไปยังทิศน้อยทิศใหญ่เหลืออยู่แต่พระอ น, น์รูปเดียวเท่านั้นดังนี้พระคุณเจ้านาเกษต พระอรหันตเหล่านั้นหลบหลีกไปเพราะกลัวหรือไร น, นนะกเน็บซหน่อยนะกลัวแน่จึงหนีเหนนหรือเ น, นนะประเด็นที่นึบอกว่าพระอรหันตหลีกไปเนี่ยต้องเพราะเพราะกลัวช้างที่เมามันหรือเมาเหล้ามาใช่ไหมหรือต้องการจะให้พระทศพลถูกช้างเนี่ยชนให้ล้มด้วยคิดว่าพระองค์จักปรากฏด้วยกรรมของพระองค์เองดังนี้จึงหลบหลีกไปหรือ แล้วก็ปรากฏสุดแทแต่เวรแต่กรรมเราไปตามทางของเราท่านก็แล้วแต่กรรมของท่านนี้หรือเปล่าหรือว่าประเด็นที่สามต้องการจะเห็นพระปาฏิหารที่วัดไม่ได้ที่พัยบุญหาปาฏิมาหาปาฏิหารของผู้อื่นเสมอไม่ได้ของพระตถาคตจึงพากันหลบหลีกไปเล่าหรือว่าอยากเห็นปาฏิหารกันแน่นะอยากดูพุทธ ป, ปาฏิหารหรือเปล่าจึงพากันหลบไปอันนก็ คำยกที่ยกมาสามตัวอย่างนี่เป็นคำเน็บนะไม่ใช่ยกมาชมแต่ยกมาเน็บว่าสงสัยกลัวมั้งอา้าวถ้าไม่กลัวก็แสดงว่าสุดแท้แต่เวรแต่กรรมอา้าวถ้าร อ, อยนั้นก็แสดงว่าอยากเห็นปาฏิหารหรือไงนะพากันหลบหลือไปซะหมดนะก็เอามายืนยันว่าสองประโยคนี่ขัดกันที่บอกว่าพระอรหันต์ไม่มีความกลัวกับอพอช้างธนาบานพุ่งเข้ามาพระอรหันต์หลบไปเนี่ย แสดงว่าข้อความมันขัดเองเพราะฉะนั้นพระคุณเจ้านาเกษตรถ้าหากว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากความกลัวความพรั่นเพริงทัาจริงใจถ้าอย่างนั้นคําว่าพระอรหันต์หลบหลีกไปเนี่ยนะที่เมืองราชครึกพอเห็นช้างพระอรหันต์ก็หลบไปเหลือแต่พระอนุลรูปเดียวอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องถ้าหากว่าที่กรุงราชครึกพระอรหันต์จํานวนห้าร้อรูปพอเห็นช้างธ่านบาลพุ่งเข้าใส่ พระผู้มีพระภาคเจ้าก็พาการสละทิ้งองค์พระชินวรนหลบหลีกไปยังทีศน้อยทีย่ใหญ่ทั้งหลายเหลืออยู่แต่พระนอนุรูปเดียวเท่านั้นจริงไซท่ายอย่างนั้นคําที่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากความกลัวปราศจากความพรั่นเพริงดังนี้ก็ย่อมไม่ถูกต้องอนะมันต้องถูกอย่างใดอย่างหนึ่งว่าฟังแล้วมันขัดกันเพราะที่เห็นเห็นเลยก็คื อ, ค อ, คอพระอรหนันต์หนีแน่500เนี่ยแล้วก็บอกว่าพระอรหันต์ไม่กลัวเอ๊ะไม่กลัวแล้วทําไมต้องหนี ปัญหาแม้ข้อนี้สองเงื่อนตกถึงแก่ท่านแล้วขอท่านจงคลี่คลายปัญหานั้นเถิดในยะข้อความคล้ายๆกันเนี่ยพระนาคพระเจ้ามิรินเคยถามเลยนะเมื่อมัจจุพยนาพายนตปัญหาหน้าหนึ่งรอยเจ็ดิแปดใช่ไหมที่บอกว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมหวาดหวั่นต่อการลงทันสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวต่อความตายเนี่ยนะไอะคํานั้นเนี่ยรวมถึงพระาหันด้วยหรือซึ่งพระนาคเกษก็แก้ไว้แล้วว่า พผ่ า, ารหัน์นั้นไม่มีความกลัวนะผ่ า, ารหัน์ไม่มีความหวาดหวั่นต่อการลงทันพผ่ า, ารหันนั้นไม่มีต่อความหวาดกลัวซึ่งพระนาคเสนก็ได้ชี้แจงอธิบายไว้แล้วแต่ก็อาศัยให้อีกเรื่องหนึ่งนะอีกเรื่องหนึ่งเพื่อจะมาเป็นปมในการสร้างปัญหาว่าเอ้ยผ่ า, ารหันไม่กลัวยังไงหลีกไปตั้ง500องค์ถ้าหลีกไปแค่อ ง, องค์สององค์ก็ยังชั่วพอทําใจได้ใช่ไหมนี่หลีกไปตั้ง500องค์อย่างเงี้ยแล้วบอกว่าพผ่ า, ารหันไม่กลัวตาย เออยังไงกันนี่ธะนาคเสนก็ยอมรับว่าเหตุการณ์ทั้งสองเรื่องมีอยู่จริงว่าพระองค์พาสิทธไว้ว่าพาหารทั้งหลายเป็นผู้ปราศจากความกลัวความพันพพึงอันนี้ก็จริงและที่บอกว่าที่เมืองราชครึกนะพาหารจำนวนห้าร้อยรูปพอเห็นช้างธนาบานช้างนาลากิริงพุ่งเข้าใสาพระผู้มีพระภาคเก้า ก็พากันสละทิ้งองค์พระชินวรหลบหลีกไปยังทิศน้อยทีย่ใหญ่ทั้งหลายเหลืออยู่แต่พระอ น, น์รูปเดียวเท่านั้นดังนี้ก็เป็นเรื่องจริงเออจริงทั้งสองเรื่องแต่ว่าสองเรื่องมันไม่เข้ากันเลยแต่ว่าจริงทั้งสองเรื่องเป็นยังไงแต่ว่าข้อที่ท่านเหล่านั้นสละทิ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วหลบหลีกไปนั้นไม่ใช่เพราะความกลัวนะไม่ใช่เพราะโทสะไม่ใช่เพราะความสะดุง้งความหวาดเสียวหนีไป และไม่มีความประสงค์ต้องการจะให้พระองค์ถูกช้างชนให้ล้มจะได้ปรากฏด้วยกรรมของตนก็ไม่มีเจตนาอันนั้นสรุปว่าไม่ได้หนีเพราะกลัว น, นไม่ใช่หนีนะไม่ใช่หลบหลีกไปเพราะกลัวไม่ใช่หลบหลีกไปเพราะต้องการให้พระพุทธเจ้าถูกช้างชนถ้ใครจะชนะเนี่ยนะไม่ใช่ ขอถวายพระพรเหตุที่ทําให้พาหานทั้งหลายกลัวก็ดีวาดวันก็ดีใดพาหานทั้งหลายได้ตัดขาดเหตุเหล่านั้นแล้วเหตุแห่งความกลัวก็คืออะไรคือฉันธราค้าในขันห้าเราจะรักษาหรือเราจะหวาดสะดุ้งเราจะตกใจหรือว่าจะไม่สบายใจเฉพาะในสิ่งที่เรามีหวังเท่านั้นแหละเพราะถ้าใครที่ยังหวังในขันห้าอยู่จึงกลัวตาย แต่ถ้าเลิกหวังในขันห้าก็มีอะไรน่ากลัวพระทหารตัดฉันราคะความหวังในขันห้าได้เสร็จสิ้นแล้วถามว่าทําไมพระทหารทั้งหลายจึงเลิกหวังขันห้าเอาก็ถามว่าใครมั่งนั่งอยู่ตรงนี้บอกว่าหมาฝีอันนี้เพิ่งรักษาหายหวังว่าขอฝีใหม่ๆจงออกมาออกมาเยอะๆออกมามากๆหัวตโตๆอย่างเงี้ยนะหวังไหมเอาทําไมอ่ะไม่มีใครหวังเช่นนั้นดอกถามว่าเพราะเหตุไร ก็เพราะว่าเห็นความทุกข์ที่ติดตามมาพธาตุหันทั้งหลายก็เหมือนกันท่านเห็นว่าขันห้านั่นแหละคือตัวทุกข์เพราะฉะนั้นถ้าท่านปลงภาระอ น, นั้นแล้วท่านจะแบกมาทําไมอีกเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้ห่วงแหนทนุถ น, นอมอะไรอววรในขันห้าอะไรพราะเหตุเหตุที่ทําให้หวาดสะดุ้งหวาดกลัวธาตุหันละได้หมดแล้วเพราะฉะนั้นธาตุหันทั้งหลายจึงเป็นผู้ปราศจากความกลั้นความกลัวและปราศจากความพรั่นพรึง อย่าว่าพระรหารเลยพระนาคามีก็เลิกกลัวแล้วเนี่ยนะแต่แต้พูดถึงระดับบุคคลที่สูงสุดเลยจริงๆก็คือพระหารเนี่ยไม่มีความว่ากลัวอีกต่อไปเพราะฉะนั้นขอถวายพระพรเมื่อเขาขุดทะเลก็ดีจะทลายภูเขาระเบิดภูเขาดังสนั่นก็ดีทุบยอดเขาออกก็ดีแผ่นดินแผ่นดินใหญ่ย่อมกลัวหรือหนาสมราิว่ขุดทะเลทลายภูเขา ทบยอดเขาแผ่นดินกลัวเป็นบ้างไหมหาไม่ได้พระคุณเจ้าบอกเพราะเหตุอะไรหรือพระเจ้ามีลินก็บอกว่าพระคุณเจ้าเหตุที่ทําให้แผ่นดินใหญ่กลัวก็ดีหวาดหวั่นก็ดีเหตุนั้นไม่มีแก่แผ่นดินใหญ่ก็คือไม่มีแผ่นดินไหนที่จะไปกลัวกลัวอะไร ที่จะไปกลัวเช่นเขาขุดทะเลเนี่ยนะแผ่นดินไม่กลัวรอกทําไมจึงไม่กลัวก็เพราะว่าเหตุที่ทําให้แผ่นดินกลัวไม่มีฉันใดพระนาคเษนก็บอกว่าอุปมาฉันใดอุปไมยก็ฉันนั้นเหมือนกันเหตุที่ทําให้พระทหารทั้งหลายกลัวก็ดีวาดหวันก็ดีเหตุนั้นหามีแก่พระรหารทั้งหลายไม่ขอถวายพระพรยอดเขาจะกลัวหรือไม่เมื่อเขาจะตัดเสียก็ดีจะทุบทิ้งเสียก็ดีหรือจะล้มเสียก็ดี สมมติถ้าตึกถล่มเนี่ยนะตึกมันจะร้องให้ไหมตึกจะเสียใจไหมหรือเขาระเบิดเขาเป็นต้นเนี่ยนะหรือตัดยอดเขาออกไปปาดภูเขาเพื่อสร้างถนนเป็นต้นเนี่ยภูเขาจะเสียใจไหมหรือจะกลัวไหมไม่กลัวรองพระคุณเจ้าเพราะเหตุไรหรือก็เพราะเหตุที่ว่าเหตุที่จะทําให้ยอดอยอดเขาหวาดกลัวพรั่นพึิงก็ดีเหตุเหล่านั้นไม่มีแกยอดภูเขา พยศพภกเขาไม่มีเจตนาที่จะไปหวาดกลัวพระนาคเษนก็บอกอุปมาฉันใดอุปมาอกก็ฉันนั้นเหมือนกันเพราะเหตุที่ทำให้พระอรหันต์ทั้งหลายกลัวก็ดีพรั่นเพริงก็ดีเหตุนั้นหามีแก่พระอรหันต์ไม่ไม่มีเรื่องไหนที่จะทำให้พระอรหันต์หวาดกลัวรอกขอถวายพระพรแม้หากว่าผู้นับเนื่องในัตตนิกายเหล่าใดเหล่านึงในแสนโล ก, กธาตุผู้นับเนื่องในัตตนิกายเหล่านั้นทั้งหมด มีมือถือหอกถือหลาเนี่ยนะแล้วเข้าไปรุมล้อมพระรหารรูปหนึ่งขูให้ท่านพรั่นเพรงไซจิตของพระทหารก็จะไม่มีความเป็นอย่างอื่นอ่ออย่างอื่นอะไรอะไรถามว่าเพราะเหตุไรตอบว่าความที่จิตของท่านไม่ใช่ฐานะไม่มีปัจจัยไม่ใช่โอกาสที่จะทําให้พระทหารพรั่นเพรงได้ เหมือนอย่างว่าเขาสมมุติเราไม่ได้อาลัยอาวุ์ในขยะเลยเห็นเขากวาดขยะนี่เราจะเสียใจไหมเสียใจที่เขากวาดขยะอะไรไหม <Okay. S 1> ฉันใดพระเห็นถึงว่าพระอรหันต์ทั้งหลายเนี่ยนะท่านไม่ได้ความมีความกลัวเลยต่อให้ทุกคนเนี่ยนะถือเราเบิดมาหาท่านอย่างนั้นเถอะหอบอาวุธเอาปืนมาจะถล่มทลายท่านเนี่ยท่านไม่มีความกลัวเรเลยถามว่าทําไม คนที่กลัวก็คือคนที่ยังมีหวังถ้าคนที่ไร้ความหวังจบความหวังหมดความหวังแล้วเนี่ยนะมีอะไรน่ากลัวบ้างเพราะท่านจึงไม่น่ากลัวเพราะท่านบอกว่าตะตายกับเป็นเนี่ยในความคิดของท่านมันไม่ต่างกันเห็นไหมเราไม่ยินดีเอเราไม่ยินดีในการเป็นอยู่แต่ก็ไม่กลัวความตายเนี่ยน ะ, ะเพราะอะไรเพราะ ท่านรอความตายเหมือนคนที่ทำงานเสร็จรอรับค่าจ้างนนะนะมันเป็นเหมือนกับปรางวันของท่านวันตายของท่านเหมือนกับแหมวันที่ท่านถูกถูกหัวใหญ่่างั้นเถอะมันไม่รู้อะไรจะดีกว่านี้อีกแล้ววันที่ปรองวันที่จะดับขันปรินิพานวันที่จะอนุปาทิเสสะปรินิพานก็ยังพูดแบบธรรมดาทั่ ว, วไปเนี่ยนะ พระพุทธเจ้าของเราเนี่ยได้ข่าวว่าพระองค์อีกสามเดือนหรือว่าพระองค์พอที่ฐานว่าอีกสมเดือนพระองค์ระตาเนี่ยพระองค์ดีใจมากนะปลงภาระได้สักทีรอวันนี้มานานแล้วว่างั้นนะรอมานานแล้วเพราะนั้นผู้ที่ปลงภาระเนี่ยนะก็เหมือนว่าใครที่มีเกิดมามีแต่ความเจ็บปวดเนี่ยถ้าบอกว่าวันนั้นอ่ะคือวันที่หายถามว่าจะดีใจหรือจะเสียใจ หายเจ็บหายปวดเนี่ยนะนสมมุติเรามีปวดหัวมากบอกอีกสามวันนะั้นท่านจะเลิกหายปวดหัวเด็ดขาดเนี่ยนะจะดีใจหรือจะเสียใจเพราะพระทหารทั้งหลายท่านมองเห็นภาระเห็นความทุกข์ที่มาจากขันห้าความทุกข์ภาระที่มาจากรูปเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณพันรูปเหล่าใดจะเสียหายแตกทําลายไปพระทหารก็ไม่เสียใจอะไรเพราะอะไรเพราะเยื่อใหญ่ในขันหา้าไม่มีโดยประการทั้งปวงเนี่ยนะ สรุปว่าเหตุผลที่ผ้าหันหลบหลีกไปนั้นอธิบายแล้วว่าไม่ได้เกิดจากความกลัวอันนี้นี่พระเจ้ามิลินได้เน็บไว้สามข้อใช่ไหมข้อแรกบอกว่าะ้าหันหลีกไปเพราะกลัวหรือไร้ายเนี่ยนะก็แก้บอกผ้าหันไม่ได้กลัวรอกที่หลีกออกไป เสรแล้วก็เนบข้อที่สองบอกว่าต้องการจะให้พระทศพลถูกช้างชนช้างชนลม้มโดยคิดว่าพระองค์จักปรากฏด้วยกรรมของพระองค์เองดังนี้หรือไรจึงหลบหลีกไปเหตุผลอันนี้ใช่ไหมจึงหลบไปก็แก่ว่าขอถวายพระพรก็แต่ว่าพระอรหันตเหล่านั้นน่ยพระขีณาศพเหล่านั้นพระขีณาสวะเนี่ยพระขีณาศพมาจากคำว่าขีณาสวะอาสวะกับขีณาขีณาแปลว่าสิ้นแล้วอ่ะ อาศบตัวนั้นเนี่ยมาจากอาสวะก็คืออาสวะนั่นเองพระขีนาสวะก็คือพระผู้สิ้นอาสวะสี่หมดแล้วเนี่ยนะสิ้นทิฏฐาสวะด้วยโสดาปติมัตสิ้นกามาสวะด้วยอนาคามิมักสิ้นภวาสวะและอวิชชาสวะด้วยอรหัตตมักพระผู้สิ้นอาสวะเสร็จสิ้นแล้วด้วยอรหัตตมักเนี่ยนะพระขีนาศพห้ารอยรูปเหล่านั้นท่านเกิดความคิดอย่างนี้ในใจขึ้นว่าวันนี้ เมื่อพระชินวรวรรผู้องค์อาจผู้ประเสริฐอย่างยิ่งกว่าชนผู้ประเสริฐเสด็จเข้าไปภายในพระนครช้างธนาบานจากวิ่งมาผจญที่ถนนานะมาเผชิญที่ถนนพระอานนทผู้ท้าอุปถากจากไม่สละทิ้งพระองค์ผู้ทรงเป็นเทพยิ่งกว่าเราเทพมีพระมะติคือปัญญาหาข้อสงสัยไม่ได้ยังไงพระนอนนทก็ไม่ทิ้งเด็ดขาด ถ้าหากว่าพวกเราแม้ทุกคนไม่สละทิ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าไยคุณของพระอานนท์ก็จกไม่ปรากฏนะนะถ้าพวกเราไม่หลบไปบ้างพระอนนท์ก็ไม่เด่นนะนะก็คืออยากจะให้พระอนนท์เนี่ยโดดเด่นขึ้นมาเพราะพระหลานทั้งหลายไม่มีใจแม้กระทั่งเรียกว่าริศยานะต้องการประกาศคุณของพระอนนท์นะในท่ามกลางมหาชนในท่ามกลางบริษัทเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยคนมาประชุมกันเยอะมาก และอีกอย่างหนึ่งพระองค์ก็รู้อยู่แล้วว่าช้างจะไม่เข้าไปจนถึงองค์แห่งพระตถาคตได้หรอกช้างเนี่ยเข้าไม่ถึงตัวพระพุทธเจ้าอยู่แล้วจะด้วยเหตุผลใดช้างก็เข้าไปไม่ถึงเอาเถอะพวกเราจะหลีกไปข้อนี้จะเป็นเหตุให้หมูชนใหญ่มีการพ้นจากกิเลสเครื่องพันธนาการได้ทีเดียวพันการหลบไปของพารหันทั้งหลายเป็นเหตุให้ เหตุการณ์หลายอย่างเกิดขึ้นเป็นเหตุให้มีผู้บรรลุผลบรรลุมรรคผลมากมายที่เกิดจากว่าพระอรหันต์หลบไปไนะเหตุผลหลักเลยนะหนึ่งมหาชนจะได้บรรลุธรรมเพราะพระอรหันต์เหล่านั้นหลีกไปเหตุผลอีกอย่างหนึ่งคุณของพระอานุ์ก็จะปรากฏดังนี้เพราะฉะนั้นพระอรหันต์เหล่านั้นพอเห็นอ น, นิสงส์ดังกล่าวมาแล้วนี้ก็พากันหลบหลีกไปอย่างทิศน้อยทิศใหญ่ทั้งหลาย ในอันธกถ า, าบอกว่าผ้รหันเหล่านั้นเนี่ยหลบหลีกไปด้วยมีความประสงค์สามประการประการแรกเพื่อให้พุทธานุภาพเกี่ยวกับการสยบช้างดุด้วยเมตตาปรากฏแก่สายตามหาชนเป็นที่มาของคาถาในพาหุงใช่ไหมอ่าเรียกว่าอะไรนะชัยชนะพระพุทธเจ้าแดประการ นาลาคิริงกชวรังอธิมัตะภูตังท้าวกิจักกมสนีวัสุธารุนันตังเมตตามู้เสกวิธีนาชิตวามุนินโทตันเตชสาพระวะตุเตชายามังคลานิเนี่ยนะก็กล่าวว่าเอเมตตาของพระองค์นี่แหละคือปกติแล้วพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่เจริญเมตตาโดยไม่เจาะจงนะฮะสัพเพสตาอเวราโหนตุเนี่ยนะยกตัวอย่างว่าขอสัตว์ทั้งปวง อย่าได้มีเวรเลยอัพยาประชาหนโตสัตว์ทั้งปวงนอย่าได้ทุกข์อย่าได้เดือดร้อนเลยอย่าได้เบียดเบียนเลยนะสัตว์ทั้งปวงสุขีอัตานางปริหารตัวรักษาตนให้เป็นสุขเธอโดยปกติแล้วพระองค์จะแผ่แบบอย่างลักษณะนี้เรียกว่าไม่เจาะจงแต่พอช้างพุ่งมาหาพระองค์เนี่ยพระองค์รวบเมตตาทั้งหมดเนี่ยจ เ, เจริญเจาะจงไปหา ช้างหายเมาเลยนะช้างตอนนั้นเนี่ยเมามันด้วยมวเมาเหล้าด้วยนะหายเมาเลยนะพอพอบอกสัมผัสกับเมตตาของพระองค์ที่แผ่เจาะจงไปเท่านั้นแหละหายหายเมาเลยนะกลายเป็นช้างที่มีเมตตามาเรียกว่าเอางวงมาลูบพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าได้สัซ้ำไปนะเป็นกลายเป็นช้างที่เชื่องทันทีเลยเนะกลายเป็นช้างแบบแมเหมือนกับคุ้นเคยกับพระพุทธเจ้ามานานเต็มทีด้วยเมตตาของ พระพุทธเจ้าที่มีต่อช้างอันนี้เป็นเหตุผลอันดับแรกเมตตาของพระองค์ก็จะได้สัมผัสว่าผู้ที่มีเมตตานั้นแม้แต่ผู้ที่มาปองร้ายก็ไม่สามารถที่จะปองร้ายได้เพราะสัมผัสเมตตากับผู้สัมผัสเมตตาของผู้มีเมตตาเหตุผลที่สองบอกว่าเพื่อให้คุณของพระอ น, นุนเนี่ยเกี่ยวกับมีความจงรักภักดีต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าไม่ทอดทิ้งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้แต่ในคราวอันตราย พระอ น, นุนั้นยินดีสละชีวิตของตนป้องกันพระชนชีพของพระผู้มีพระภาคเจ้าพันไอความจงรักภักดีของพระอ น, นุก็ปรากฏแก่ชนทั้งหลายและอาศัยเหตุอันนี้นี่แหละพระองค์ตรัสหังสะชาดกเนี่ยนะมหาหังสะชาดกว่าพระอนุนเนี่ยนะไม่ทอดทิ้งพระพุทธเจ้า ยามเมื่อมีภัยเนี่ยไม่ใช่แต่ในปัจจุบันเท่านั้นแม้ในอดีตยามที่พระองค์มีภัยพระอ น, นุลก็ไม่ทอดทิ้งก็เล่าว่ามีอยู่ครั้งหนึ่งพระองค์เกิดเป็นพญาหงทองทตตะรัฐเนี่ยน ะ, ะเป็นหงที่พระมเหสีองค์หนึ่งอยากได้ตัวมาก น, น, นะก็เลยให้ในพรานเนี่ยไปจับให้ไปผูกบ่วงแล้วบ่วงอันนั้นก็เรียกว่าเข้าถูกกับข้ อ, ข, อข้อเท้าอนะ ข้อผบาทของพญาหงโพธิสัตว์ด้วยเสร็จแล้วพญาหงโพธิสัตว์เนี่ยรู้ว่าตัวเองเนี่ยติดบ่วงแล้วเนี่ยนะกระตุกทีหนึ่งเนี่ยบ่วงมันก็ไม่ขาดใช่ไหมมันก็เนื้อเอบ่วงเนี่ยมันรัดเพราะเอ็นเป็ น, ป น, ปนขนมาเนี่ยนะมันก็รัดเท้าเนี่ยเลือดไหลโสมไปหมดถ้ากระตุกอีกเท้าขาดแน่ท่านก็เลยเลิกกระตุกนะเพราะกลัวจะเป็นหงพิการเหมือนกัน ท่านก็ น, นิ่งอยู่ตรงนั้นแหละในที่สุดพอญาติกินอาหารอิ่มหมดแล้วเนี่ยนะก็บอกว่าเราเนี่ยถูกบ่วงญาติก็ห น, นี้ไปหมดพระนนก็หนีไปด้วยพอบินมาหาบินไปบินมาอา้าวพระโพธิสัตว์หายไปไหนก็เลยบินกลับมาบินกลับมาหาพระโพธิสัตว์เนี่ยนะซึ่งเป็นหงหงด้วยการที่ติดบ่วงพระโพธิสัตว์ก็ไล่ให้ไปบอกทําไมไม่ไป น, นะก็มีการพูดคุยว่าจะด้วยประการใดก็ไม่ยอมไม่ขอทิ้งพระโพธิสัตว์เนี่ยนะก็เลย ใ น, ในพลานเนี่ยนะในพรานนกที่ดักก็มาจับเอาหงทั้งสองตัวเนี่ยไปเฝ้าพระราชาหงทั้งสองตัวนี่ก็ไปเฝ้าพระราชาแล้วก็พญาหงทองก็แสดงธรรมให้พระราชาฟังนะแล้วก็ปรากฏถึงหงเสนาบดีที่คอยดูแลไม่ยอมทอดทิ้งพระอานนท์เนี่ยก็ปรากฏดังนั้นความพักดีของพระอานนท์ที่มีต่อพระโพธิสัตว์สละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าไม่ใช่แต่ใน ปัจจุบันชาติแม้แต่ในอดีตชาติพระนรนก็สละชีวิตเพื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นความจงรักภักดีของพระนรนที่มีต่อพระโพธิสัตว์เนี่ยนะตั้งแต่อดีตจวบจนปัจจุบันแล้วก็หลายชาติด้วยกันพระนรนนั้นท่านเนี่ยเป็นอุปถากของพระโพธิสัตว์หรือท่านติดตามอุปถักภพระพุทธเจ้ามาเนี่ยนานมากเลยนะหลายพบหลายชาติด้วยกันเนี่ยนะ อย่างพระโพธิสัตว์เป็นฤาษีพระนนก็จะเป็นพระราชาให้การคุ้มครองพระโพธิสัตว์เนี่ยนะและข้าเข้าเฝ้าเช้ายืนนะไปไปบำรงพระโพธิสัตว์เช้าเย็นเพื่อฟังธรรมแล้วก็ไม่อิ่มในการฟังธรรมติดตามฟังธรรมไปตลอดแล้วก็ช่วงหลังๆมาเนี่ยนะหลายชาติก็ไม่ค่อยทอดทิ้งกันไปไหนโดยมากก็เป็นไปด้วยการบางชาติเนี่ยเรียกว่าเหมือนกับเป็นคู่แฝดกันเลยนะไม่เคยแทบไม่เคยจากกันเลย นพระนนนั้นจึงเป็นผู้ที่มีความพักดีต่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะรักพระพุทธเจ้ามากะนะท่านเขาบอกว่าพอพระผู้ได้ข่าวพระพุทธเจ้าไม่สบายอยางี้ท่านก็เดือดร้อนน ะ, อ, ะนะอย่างตอนที่พระน น, เ, นเป็นผู้ที่ร้องให้เพราะพระพุทธเจ้าค่อนข้างบ่อยนะยร้องให้ก็เพราะอะไรเพราะเพราะความรักที่มีต่อพระพุทธเจ้าอย่างเช่นตอนที่พระนางโคตมีจะปรินิพานน่ะท่านก็ร้องให้ บ อ, อกนี่พระนางโคตมีปริญญาพ่านแล้วพระองค์ต้องปริญญาพานแน่เลยก็เลยเสียใจเลยนะอันเหตุการณ์เสียใจหลายๆครั้งก็เมืเพราะว่าเป็นความพักดีเป็นความรักของอพระอนุนเนี่ยนะที่ที่มีความจริงใจต่อพระโพธิสัตว์ตลอดจนถึงว่าแม้กระทั่งเป็นพระโสดาบันแล้วพระโพธิสัตว์เป็นพระพุทธเจ้าแล้วท่านก็ยังพักดีของท่านไม่เสื่อมคลายถ้าหากว่าพระอนุนไม่รักพระพุทธเจ้ามากขนาดนั้นเนี่ยนะ ท่านยังไม่ติดตามฟังทุกคําหรอกอนะและขณะเดียวกันเนี่ยก็เป็นเป็นความรักเป็นความเสียสละต่อผู้ที่ต่อบัณฑิตจริงๆะนะก็เลยได้ดีในตอนปลายเขาเรียกว่าสละชีวิตทุ่มเทเพื่อบัณฑิตเพราในที่สุดท่านก็ทํากิจสําเร็จเป็นพระอริยเจ้าสําเร็จเป็นพระอรหันต์แต่แต่เขาเข้ามาคิดดูนะไอไอาการที่คนเสียสละเพื่อคนเนี่ยในโลกนี่เยอะนะแต่เชียงเช่น เมียขี้โอ้ยเมียทั้งขี้เล่าขี้พนันขี้ดูขี้ด่าสามีก็พักดีจนหรือไม่ผัวก็ขี้เล่าเมายาเมียก็ตามพักดีหรือเพื่อนอีกฝั่งหนึ่งะนะเลวแหลกขนาดก็ตามพักดีกันแต่ว่าอาการพักดีอย่างนั้นไม่ใช่พักดีต่อบัณฑิตเมื่อไม่พักดีต่อบัณฑิตก็เลยเดือดร้อนในตอนปลายแต่ถ้าหากว่าอย่างกรณีของพระนนท์เนี่ยเปกก็เป็นผู้ที่เป็นผู้ที่คบบัณฑิตยินดีที่จะคบหาสมาคมกับ บรรดิดนั้นหลายๆอย่างการเสียสละของท่านเพื่อบัณฑิตในที่สุดท่านก็ถึงความพ้นทุกข์นนะฉั้นกล่าวอย่างนี้ก็เราก็ถือว่าเป็นเยี่ยงอย่างที่จะปฏิบัติตามพระอานุนเนี่ยนะว่าจะด้วยเหตุผลใดใจก็ไม่ขอคิดลืมพระพุทธเจ้าใช่ไหมวันนี้คิดถึงพระพุทธเจ้ากี่ครั้งละเมื่ ว, วลาวันคิดถึงพระพุทธเจ้ากี่รอบแล้วเนี่ยนะถา้าเป็นเพี่งอย่างเดียวมา สวดนก็สวดเป็นเวลานะถ้าใช้คาว่าตลอดเวลาจะมากไปหน่อยนะนะละให้ตลอดไปถ้าได้ก็ดีจริงๆไม่ได้ตำเหนียอะไรหรอกนะนะก็ถ้าบอกก็ถ้าได้ตลอดเวลาเนี่ยดีนี่ยนะเนระียกว่าตามการในคว่ า, ต, วานะตามสมัยเนี่ยนะก็แต่ว่าจะให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้เนี่ยนะละเลิกได้ให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้พระพุทธเจ้าเนี่ยนะเป็นผู้ที่บริสุทธ ยามใดที่เรานึกถึงพระองค์เนี่ยนะยามนั้นเราจะบริสุทธิ์ด้วยัถ้าเรานึกถึงพระพุทธเจ้าได้บ่อยเท่าไใดเราก็บริสุทธิ์เท่านั้นพระพุทธเจ้าเป็นเช่นกับน้ําที่ชําระความเศร้าหมองใจของเราก็เหมือนกับสิ่งที่เศร้าหมองยามที่เราคิดถึงพระพุทธเจ้าทีหนึ่งก็เป็นการอาบน้ําให้ใจครั้งหนึง่งพระพุทธเจ้ามีความพิเศษว่าสัตว์เหล่าใดที่มีราคะพอนึกถึงพระองค์ก็สางราคะสัตว์เหล่าใดมีโทสะยามนึกถึงพระองค์ก็ หมดโทสะดับโทสะ น, นะชีวิตอยู่ด้วยความลุ่มหลงพอนึกถึงพระพุทธเจ้าก็หายจากความลุ่มหลงเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นที่ชําระอากุศลชําระความเศร้าหมองให้แก่สัตว์ทั้งหลายถ้ายิ่งเข้าใจทราบซึ้งในพระคุณของพระองค์เท่าใดก็จะชําระความเศร้าหมองทางใจได้เท่านั้นพระองค์ให้ความสบายใจก่อนเลยทันทีในโลกนี้ถ้ากล่าวแบบเหตุผลธรรมดาทั่ ว, วไปเนี่ยนะ เราไม่สบายใจเราคิดถึงใครได้หายเครียดได้บ้างง่ายๆยากมากเลยนะที่นึกถึงใครสักสมมติมัามีปัญหาแหมมันทุกข์เหลือเกินเนี่ยนะพอทุกข์เข้าเนี่ยไม่รู้จะไปพึ่งพิงใครไม่รู้จะไปคิดถึงใครพอที่จะช่วยบรรเทาสิ่งนั้นได้แต่พอคิดถึงพระพุทธเจ้าหายโศกเนี่ยนะพ้นโศกนะดับความกลัวหลายคนนี่พอมีความกลัวคิดถึงพระพุทธเจ้าหายกลัวบางคนมีความสงสยัยพอระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ หายความสงสัยพระพุทธเจ้าช่วยแก้ปัญหาในความคิดขณะนั้นและถ้าชนเหล่าใดทรงจําคําสอนของพระองค์ไขครควญคําสอนของพระองค์จะแก้ปัญหาต่อต่อไปแก้ปัญหาในปัจจุบันด้วยแก้ปัญหาต่อต่อไปด้วยแก้ปัญหาในวัฏฏะทั้งหลายด้วยเพราะการพักดีเนี่ยนะของใจของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่เราโดยส่วนเดียวซึ่งพระองค์ไม่ได้ดีได้เสียอะไรกับเรา อย่างมากพระ อ, องค์ก็เจริญกรรมสกตาพระ อ, องค์ก็อุเบกขากระเอรพวกนี้โปรดไม่ขึ้นแค่นั้นเองนะพระ อ, องค์ก็ใส่ใจแค่นั้นนะหรือไม่พระ อ, องค์ก็บอกอุ้ยนิพพานน่าคิดถึงกว่าเยอะแยะนะพระ อ, องค์มีเรื่องที่มันแบบมันน่าคิดถึงกว่าตั้งมากมายเป็นนึกถึงทําไมคนที่จะไปอาบายเป็นต้นเนะี่ยคือพระ อ, องค์ฉลาดคิดมากมเลยไม่ต้องห่วงพระ อ, องค์หรอกพระ อ, องค์จะมองให้เห็นว่าปฏิกูลก็ได้เห็นว่าไม่ปฏิกูลก็ได้จะให้เห็นหรือว่าจะวางเฉยด้วยอุเบกขาก็ได้ พระองค์เนี่ยชำนาญในทางความคิดเพราะพระองค์มีอริยริเนี่ยนะพระองค์มีอริยริทเพระพระองค์เนี่ยเป็นอย่างนั้นแต่แต่การที่เราคิดถึงพระองค์ได้เท่าไหร่อันนั้นก็เป็นบุญเป็นกุศลของเราเท่านั้นกุศลขอกุศละจิตที่เราคิดถึงพระพุทธเจ้าควรจะมีราคาเท่าไหร่พระพุทธเจ้าเป็นผู้มีพระคุณหาประมาณไม่ได้ชนเหล่าใดที่เลื่อมใสในพระพุทธเจ้านึกถึงพระพุทธเจ้ากุศลเหล่านั้นก็ ให้ผลหาประมาณไม่ได้พันเราก็ต้องพยายามแบ่งใจให้ได้คิดถึงพระพุทธเจ้าให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะบ่อยได้มีอยู่สูตรหนึ่งเขาบอกว่าถ้าเธอมีญาติมีมิตรมีผู้ที่แบบเราหวังดีเรารักที่สุดนะถ้าบอกว่าเราหวังดีกับเขาจริงๆเนี่ยชักชวนให้เขาถึงพรัตนะตรยัยถามว่าทำไมเพราะการรู้จักพรตนะตรยัยการตามระลึกนึกถึงคุณของพรตนะตรายเนี่ย เป็นเบื้องต้นที่จะปิดอบายทุขติวินิบาตนรกเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้พ้นจากทุกกติเนี่ยนะเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้พ้นภัยโดยประการทั้งปวงมันผู้ใดมีคุณพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เนี่ยนะถ้าเข้าใจเท่าใดร ะ, ะลึกถึงคุณพระรัตนตรัยด้วยเข้าใจพระคุณด้วยถ้ายิ่งเข้าใจพระคุณไปเท่าใดก็นั่นแหละนั่นจะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อ ความสุขตลอดการยาวนานดันั้นเราก็ต้องพยายามให้ใจของเราเนี่ยมีโอกาสได้คิดถึงพระพุทธเจ้าให้มากที่สุดคิดถึงพระพุทธเจ้าเท่าใดบอกก็เท่ากับคิดถึงหลายๆคนเช่นใครที่คิดถึงลูกบ่อยๆคิดถึงหลานบ่อยๆคิดถึงเพื่อนบ่อยๆคิดถึงพระพุทธเจ้าเท่านั้นก็โอได้ดีแน่เนี่ยนะคิดถึงอะไรก็แวบถึงถึงอย่างนั้นละแต่ก็แว็บถึงพระพุทธเจ้าได้ขนาดนั้นนี่ก็มาเชื่อเลยว่าทำที่สุดแห่งทุกนาย ทำที่สุดแห่งวัตถทุก์ได้แน่แต่เมื่อไหรก็สุดแท้แต่เพราะอินทรีย์ไม่ได้มีข้อเดียวใช่ไหมมีวิริยินทรีสตินทรีสมาิิทรีและปัญญทรียแต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยสัตทินทรีเนี่ยเป็นตัวสําคัญเพราะว่าศรัทธาที่ตั้งมั่นในพระพุทธเจ้าสา ม, มารถที่จะพาข้ามที่โถคะได้เพราะพระพุทธเจ้ารู้จักมัชฌิมาปฏิปทาที่ไม่เอียงไปหาสัสตตถทิฏฐิที่ไม่เอียงไปหาอุเฉททิฏฐิ เพราะพระพุทธเจ้ารู้จักอริยมัอันประกอบไปด้วยองค์8ที่แทงตลอดอริยสัจเพราะฉะนั้นจะสามารถข้ามอุเฉ ท, ท, ทิฏฐิสัสถะทิฏฐิอุเฉ ท, ท, ทิฏฐิสัสถะทิฏฐนะิกระจายไปแล้วมันจะเป็นทิฏฐิหกสประการนนั้ผู้ที่มีศรัทธาที่มั่นคงในพระพุทธเจ้าเนี่ยนะก็สามารถที่จะข้ามพ้นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนะข้ามพ้นความสงสัยซึ่งเป็นบริวารของมิจฉาทิฏฐิหรือความสงสัยเป็นปัจจัยที่สําคัญต่อ มิจฉาธิฐิอย่าลืมว่าพระโสดาบันเนี่ยคุณสมบัติของท่านละอะไรสกายทิฐิวิจิกิจฉาและศีลพัตะปรามาตสกายทิฐิกับศีลพัตตะปรามาตตัวมันก็คือตัวทิฐินั่นเองแล้วก็ละความสงสยัยไม่สงสัยในคุณของพระัตนะตรายนั่นคือคุณสมบัติของพระโสดาบันทั้งหลายเป็นผู้ที่มีความรักความเลื่อมใสที่มั่นคงเนียวแน่นในพระพุทธคุณมากเนี่ยนะท่านเราก็ ขณะที่เราละลึกถึงสรรเสริญคุณพระรัตนตรัยบ่อยๆละลึกถึงบ่อยๆก็เป็นอะไรก็เป็นการสมาทานข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบันอย่างถ้าใครสังเกตนิดหนึ่งนะว่าคำทำวัดเช้าเนี่ยนะเอาทั้งต้นจนจบเลยนะถ้าใครสวดด้วยความเข้าใจจริงๆแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้จริงๆเ ป, เป็นข้อปฏิบัติธรรมดาไปเรียบร้อยในชีวิตจริงก็เรียกว่าเป็นผู้ ปฏิบัติข้อปฏิบัติเพื่อความเป็นพระโสดาบานันคํำทำวัดเย็นเนี่ยนะก็คืออะไรว่าพระโสดาบันเนี่ยเขาว่าอย่างนั้นจริงๆเขาเขาคิดอย่างนั้นจริงๆอของเราเนี่ยมาฝึกเป็นไหมาฝึกซ้อมๆไหมแต่ถ้าเป็นพระโสดาบันเลยนะทุกคําที่เขาพูดเนี่ยเขาเป็นอย่างนั้นจริงๆพระพุทธเจ้าพระองค์ใดเป็นสาระอันกเกษมสูงสุดของสัตว์ทั้งหลายนะข้าพเจ้าอะไร ขอถึงพระพุทธเจ้าพระองค์นั้นว่าเป็นที่ตั้งแห่งความระลึกองค์ที่หนึ่งด้วยเสียงกล้าวคือถ้าจะมีอะไรขึ้นมาเขา mm. เขาจะต้องนึกถึงพระพุทธเจ้าก่อนเป็นอันดับแรกอันนี้พระโสดาบันนี่เป็นอย่างนั้นจริงๆริข้อสองบอกว่าพระโสดาบันนี่มีนายอยู่ท่านเดียวเท่า น, นั้นคือเป็นนายมีอิสระทางความคิดหมดเลยพระพุทธเจ้าจะให้คิดอะไรพระโสดาบันก็พร้อมที่จะคิดตามนั้นถ้าคิดตามไม่ได้จะไม่โทษพระพุทธเจ้าแต่โทษว่า ตัวเองบุญน้อยคิดตามพระองค์ไม่ได้พูดตามพระองค์ไม่ได้ทําตามพระองค์ไม่ได้จะไม่ตําหนิพระพุทธเจ้าแต่ตําหนิว่าตัวเองเป็นผู้บุญน้อยไร้ความสา ม, มารถที่จะปฏิบัติตามเป็นต้นพระโสดาบันนั้นหมายความว่าเป็นผู้ที่มีพระพุทธเจ้าเป็นนายจริงๆเลยเนี่ยนะพระโสราบันก็สละทวัสละชีวิตเพื่อเป็นพระพุทธเจ้าเพราะว่าผู้ใดจะบอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าอ่าเขาบอก บอกว่าพระพุทธเจ้าไม่ใช่พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ตรัสรู้จริงถึงจะตายก็พูดไม่ได้ถึงจะตายก็พูดคํานั้นด้วยความจริงใจไม่ได้เพราะพระและขณะเดียวกันพระโสดาบันเนี่ยนะสละชีวิตทุกอย่างเพื่อพระพุทธเจ้าเนี่ยนะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ที่จัดแจงทุกกรรจัดทุกออกไปจัดแจงประโยชน์ทั้งหลายให้แก่พระโสดาบันทั้งหมดเลยนั้นพระโสดาบันจึงเป็นผู้ที่มีความภาคดีอย่างมั่นคงเนี่ยนะ บทสวดมนต์ที่เรามาสวดเนี่ยเป็นคำเรียบเรียงเอามาจากคุณสมบัติของผู้ที่เป็นพระอริยเจ้าโดยแง่มุมต่างๆจากที่ต่างๆมารวบรวมกันขึ้นผูกเป็นคาถานะให้คนทั่วๆไปได้ฝึกสมาทานว่าถ้าเป็นพระโสดาบันแล้วก็เป็นอย่างนี้กันนะนะก็ย้าว่านะตอนเช้าหมายว่าเหมือนว่าตื่นเช้ามาสมาทานข้อปฏิบัติเพื่อเป็นพระโสดาบัน ตอนเย็นมาก็บอกว่าเออพระโสดาบันเขาเป็นอย่างนี้นะก็อยู่อย่างนั้นอะไรเวียนไปเรื่อยๆเนี่ยแต่เขาทาด้วยความเข้าใจเนี่ยนะทำด้วยคือศรัทธาเนี่ยดีแล้วแต่ว่าถ้าเพิ่มความเข้าใจเท่าไหร่ก็มีคุณค่ามีราคายิ่งกว่านั้นบุญเนี่ยนะบุญมากบุญน้อยในสิ่งเดียวกันอยู่วัดกันที่ไหนวัดกันที่ความเข้าใจถ้ามีความเข้าใจเท่าไหรบุญก็มากเท่านั้นถ้าเข้าใจน้อยบุญก็น้อยถ้าเข้าใจ มากบุญก็มากอย่างผู้ทางสรารนังค้าสามีถ้ารู้คุณของพระพุทธเจ้ามากก็ได้บุญมากถ้ารู้คุณน้อยก็ได้บุญน้อยพันพยายามที่จะให้ศรัทธาของเราเนี่ยนะได้โครจรไปในพระพุทธคุณให้บ่อยที่สุดเท่าที่จะทําได้เพราะว่าโอกาสที่จะได้โครจรไปในพุทธานุสติน้อยมากเคยได้ยินคําของอนาถท่านว่าไหมแม้แต่คำพุธคำว่าพุทโธยังหาฟังได้ยากจะกล่าวไปใหญ่ถึงการเกิดขึ้นของท่านเล่า บัรกาศดีแล้วที่เราได้มีโอกาสได้ตามระลึกนึกถึงคุณของพระรัตนตรัยแต่อย่าลืมว่าพยายามที่จะว่าบุญจริงๆนั้นน่ะไม่ได้อยู่ที่ตัวองค์พระพุทธเจ้าแต่อยู่ที่ใจของเราที่มีต่อพระพุทธเจ้าเราจะเสริมใจอันนั้นให้มันคู่ควรแก่ออกจากทุกข์ได้อย่างไรเพิ่มพูนความคิดที่มีพระรัตนตรัยเป็นอารมณ์เนี่ยให้อย่างไรให้คู่ควรแก่การพ้นทุกข์เนี่ยนะโดยเฉพาะธรรมะหมายถึง ปริยัติอริยมรรยพนและนิพพานเนี่ยนะทำยังไงจะให้ใจเนี่ยโคจรไปกับปริยัติซึ่งเป็นตัวที่ชี้บอกโลกุตระจะได้โคจรไปในโลกุตระธรมทั้งหลายตามที่พระพุทธเจ้าสอนทุกประการเนี่ยนะเออมีอันหนึ่งนะเขาบอกว่าในในตอนท้ายของอัตตกะถาที่บอกว่าที่พระอาหารหันต์ทั้งหลายหลบไปด้วยเหตุผลอันหนึ่งก็เพราะ จะได้ชนหมู่ใหญ่ได้เห็นอภินิหารเกิดความเลื่อมใสได้ฟังธรรมแล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสเครื่องพันธนาการเพราะเห็นพุทธานุภาพนะเห็นสังขานุภาพก็คํานึงถึงธรรมานุภาพเพราะว่าพระพุทธเจ้าก็ตรัสรู้ธรรมสาวกก็ผู้ปฏิบัติไปตามธรรมก็จ ะ, ะเห็นพระพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณเนี่ย น, นะพระผู้ที่เห็นคุณพระรัตนะตรนั่นแหละคือพระอริยเจ้าทั้งหลายนนพระองค์ก็ประกาศธรรมให้เห็นคุณของพระอริยเจ้า